ผานามสยามยุบภาคที่สองว่าด้วยกองทัพกรุงสยามยกพระลพนนิกายเป็นมหายุหโยธาทัพใหญ่ไปกระทำศึกสงครามกับนักโกงจันร์พระเจ้ากรุงกรัรมพูชาทิพดีเขมรไม่ต่อสู้ไทยนักโกงจันร์หนีไปพึ่งยวนกองทัพยวนยกมารบกับไทยไทยได้รบกับยวน และยวนได้กระทำมหายุทธนาการเป็นศึกสงครามกันมาช้านามประมาณถึง14ปีเศษมีข้อความพิ่ดสดงวิตรฐานในการศึกไท ย, ยวนดังจะได้แสดงต่อไปนี้อานามสยามยุทธภาคที่สองตอนที่สองของทัพกรุงเทพเคลื่อนทัพตีขมิ เจ้าพระยาพระทังเสนาบดีนำคำให้การกีนและข้อความตามหนังสือบอกทั้งสี่เมืองนั้นขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาได้ราบใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทแล้วจึงมีพระราชองค์การดำรับว่าได้รู้เหตุการณ์บ้านเมืองยวนคราวนี้ดีแล้วเห็นว่าเป็นท่วงทีนักหนาควรจะยกกองทัพกรุงเทพเป็นทัพใหญ่ ออกไปตีเมืองขมนเสียทีเดียวในคราวนี้ถ้าเป็นทีตีเมืองขมนได้แล้วควรยกทัพ บ, บกทัพเรือเพิ่มเติมออกไปอีกให้มากมายหมายจะเลยไปช่วยเมืองไส้งอนตีกองทัพเมืองเวด้วยแต่จะต้องมีหนังสือแต่งพวกกีนที่หนีเข้ามานี้ให้ออกไปบอกองค์พเบควยลันเบียเจ้าเมืองไส้งอนให้รู้ตัวก่อนว่ากองทัพกรุงเทพ พระมหานครจะยกมาช่วยเปิดศึกขนาบตีกองทัพกับพวกเจ้าเมืองเวให้แตกไปแล้วจะได้ให้แม่ทัพไทยไปคิดราชการกับองค์พเบคยลัลเบียรพร้อมกันยกกองทัพไปตีเมืองยวนด้วยแล้วมีพระราชาลำลับว่าด้วยไอ้ยวนจองหองนักหนาคราวนี้เป็นทีแล้วจะต้องตีเสียให้เข็ดฝีมือไทยบ้าง ไอ้ยวนจะได้ไม่มินอำนาจไทยต่อไปอีกจำเป็นจะต้องยกทัพไปทำศึกสงครามกับยวนเป็นการตอบแทนแก้แค้นกับไอ้ยวนบ้างจึงจะชอบด้วยทำเนียมพระมาหากษัตริย์ที่ราเจ้าเหมือนกันถ้าไม่ทำดังนั้นน า, นานาประเทศก็จะดูหมินว่าไทยกลัวยวนแล้วมีพระราชบริหารต่อไปว่าครั้งนั้นนักองค์จันทร์ เจ้ากรุงคำปูชาขมิซึ่งเป็นเจ้าประเทศราชขึ้นอยู่ในอำนาจไทยนักองค์จันทร์คิดกลับใจเป็นขบฏทรยศต่อกรุงเทพแล้วหนีไปหาหยวนฝ่ายหยวนก็รับเอาเจ้าขมรไว้ใช้ธุระของหยวนหยวนก็รับนักองค์จันทร์ไว้หาขวนหม่แล้วกลับจัดแจงให้นักองค์จันทร์มาอยู่บ้านเมืองขมิครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเจ้าอนุราวเวียงจันทร์เป็นขบฏ แล้วยกกองทัพมาตีเขตแดนไทยไทยยกขึ้นไปปราบเจ้าอนุเจ้าอนุก็หนีไปหาหยวนหยวนก็รับเจ้าลาไว้ดังเช่นเจ้าขมิญนั้นเล่าไม่ใช่ธุระปติของหยวนหยวนก็เอาเป็นธุระรับรองป้องกันอนุไว้แล้วยังไม่นังซํำแต่งให้ขุนนางหยวนพาเจ้าอนุมาตั้งบ้านสร้างเมืองดังเก่าหยวนทาให้อนุได้ดีมีที่อยู่คล้าย เหมือนที่ยวนทำให้เจ้านักองจรขมิกลับมามือขมรอย่างเดียวกันฝ่ายเจ้าเวียดนามมินมงังเจ้าแผ่นดินใหม่ฝ่ายยวนองค์นี้ทำท่วงทีตีเสมอเหมือนเป็นนายไทยแล้วคิดอะไรก็มีแต่คิดเอารัดเอาเปลียดไทยและเกียดติกันเอาเขตแดนบ้านเล็กเมืองน้อยของไทยไปหลายบ้านหลายเมืองแล้วฝ่ายยวนจะพูดจาอะไรมาในหนังสือเสนาบดี หรือพระราชสานั้นเล่าก็มีแต่ยวนยกยศศัก์ฝ่ายยวนให้เป็นใหญ่ไปโตวกว่าไทยทุกครั้งทุกทีพูดจากดขี่เหมือนไทยเป็นเมืองขึ้นเมืองออกของยวนยวนยกตัวขึ้นเป็นดึกว้างเดและองค์เลโปเสนาบดียวนนั้นเล่าจะพูดจามาในหนังสือถึงเจ้าพระยาพระคลังครั้งใดก็พูดจาคมขีไทยหลายอย่างหลายประการและซ้ามีคําสั่ง บังคับบัญชาเข้ามาในกรุงเทพให้ที่กรุงเทพลงชื่อเจ้าแผ่นดินยวนในราชสารไทยนั้นว่าสมเด็จพระเจ้าเวียดนามดึกว่างเด้ฝ่ายไทยก็เห็นแก่ทางไมตรียวนที่มีมาช้านานแล้วจึงได้ให้เขียนราชสารไทยลงชื่อเจ้าแผ่นดินยวนตามชอบใจของยวนที่เมายศแต่ไทยตามใจยวนดังนั้นแล้วยังไม่สาแก่ใจยวน ยวนเสนาบดีมีคำสั่งเข้ามาอีกว่าให้ไทยเอาตราหลวงสำหรับราชการแผ่นดินไทยประทับสำเนาราชสารที่เป็นอักษรจีนออกไปด้วยดังนี้ไม่เคยมีธรรมเนียมมาทุกบ้านทุกเมืองเพราะฉะนี้ไทยจึงได้เห็นใจยวนว่ายกตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าไทยหมายจะคมขี่อำนาจไทยให้ต่ำเตี้ยตกไปทุกที การที่ยวนเสนาบดีและเจ้าแผ่นดินยวนดูมินดูถูกแก่พระเจ้าแผ่นดินไทยมากนักหนาไทยจะเป็นทางเมตรีกับยวนไปอย่างไรได้เล่าจำเป็นจะต้องขาดทางเมตรีกันแต่ครั้งนี้เป็นแน่แล้วครั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสเป็นฉินทภาพดังนี้แล้วจึงมีพระราชจงการมารพระบรรทูลสุรเสิงงนาตดํารัดเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ให้เจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์ที่สมมหินายกอักรมหาเสนาบดีถืออาญาสิทเป็นแม่ทัพ บ, บกโปรดให้เป็นผู้บัญชาการทัพเจ้าพระยาและพระยาพระหลวงขุนหมื่นนายทัพนายกองบกทั้งสิ้นขุมพลทหารบกทั้งในกรุงและหัวเมืองรวมทั้งสิ้นห้ามื่นและให้ไปเกณฑ์เลขเขมยนป่าดงเดิมอีกหมื่นหนึ่งเลขหัวเมืองลาว เพิ่มเติมอีกหมื่นหนึ่งรวมไพร่พลไทยลาวเขมรเป็นเจ็ดหมื่นยกทัพ บ, บกยกไปตี 10, มือเขมรถ้าจับนักองค์จัรได้แล้วให้ตั้งนักองค์อิ่มนักองคด้วงอนุชาเป็นเจ้ากรุงกัมพูชาสืบราชสุริยวงศ์กษัตริย์กัมพูชาต่อไปครั้นนั้นโปรดกล่าวให้นักองค์อิ่มนักองค์ด้วงเขมรไปด้วยเจ้าพระยาบรินเดชา จะได้เป็นที่ปรึกษาราชการทัพศึกในเมืองเขมรด้วยถ้าตีเมืองเขมรได้แล้วให้ยกทัพ บ, บกทัพเรือยกไปช่วยองค์พเบเคยลันเบียที่เมืองไส้งอนด้วยช่วยกำจัดทัพกรุงเวโปรดให้เจ้าพระยาพระคังดิดซึ่งว่าที่สมุหกะลาหมนั้นถืออาญาสิทธิเป็นแม่ทัพเรือขุมไพรพนมื 15, ่นห้าพันบรรทุกเรือรบมีชื่อในกรุงออกไปเกณฑ์เลขไทยเมืองกราด เมืองจันทบุรีและเลกเมืองเขมรที่เมืองกำปอดและเมืองเขมรป่ายางรวมอีกห้าพันรวมเป็นสองหมื่นในทัพเรือนั้นให้ยกไปตีเมืองบรรทายมาศฝ่ายยวนให้แตกให้จงได้แล้วให้กองทัพเรือยกไปทางคลองขุดใหม่คลองยวนจะได้เดินทัพเรือเข้าไปตีตัวเมืองยวนตามลำน้ำให้ได้ตลอดไปจนถึงเมืองไส้งอนจะได้บรรจบกับทัพ บ, บก เจ้าพระยาบดินเดชาที่ใกล้เมืองไส่งอนแล้วทัพเรือและทัพ บ, บกจะได้ช่วยกันระดมตีกองทัพยวนกรุงเวที่มาตั้งล้อมเมืองไส่งอนนั้นให้แตกไปให้สิ้นเชิงตามทางบกเรือแต่ให้เจ้าพระยาพระคลังแต่งจีนที่ฉลาดลงไปแจ้งข้อราชการแก่องค์พอเบคอลันเบียที่เมืองไส่งอนให้รู้ตัวก่อนให้จงได้ไทยจะได้ทําการถนัด เมื่อทัพเรือถึงพร้อมกันกับทัพบกแล้วให้ทัพเรือปรึกษาหารือกันกันกบเจ้าพระยาบดินเดชาให้เจ้าพระยาพระคลังฟังบังคับบัญชาเจ้าพระยาบดินเดชาแม่ทัพบกด้วยในข้อรักการศึกที่จะยกเข้าตียวนนั้นครั้งนั้นทรงพระกรณาปโปรดกล้าให้พระมหาเทพเจ้ากรมพระตํารวจชื่อป้อมถืออาญาสิทธิ์เป็นแม่ทัพบกฝ่ายทานตะวันออก ให้พระราชวรินทร์เจ้ากรมพระตำรวจชื่อขาเป็นปรลัดทัพให้พระมหาเทพและพระราชวรินทร์ไปเกณฑ์เลขหัวเมืองลาวฝ่ายทางตะวันออกไปด้วยกันเป็นไพรพลหมื่นหนึ่งให้เกณฑ์เจ้าอุปราชเมืองหลวงพระบางไปเป็นผู้นำทัพ บ, บกุกยกเข้าตีเมืองล่าน้ําหัวเมืองขึ้นแกยวนยวนเรียกว่าเมืองแงอ่านฝ่ายกองทัพเจ้าพระยาบินเดชา มีไพรพลเจ็ดหมื่นกองหนึ่งกองทัพเจ้าพระยาพระคลังมีไพร่พลสองหมื่นกองหนึ่งกองทัพพระมหาเทพมีไพร่พลหนึ่งสี่พันกองหนึ่งสามกองมีไพรพลถึงแสนกับสี่พันแล้วภายหลังเมื่อตีเมืองเขมรได้แล้วเกณฑ์เขมรกรุงกรมฟูชาอีกสองหมื่นเข้าช่วยในกองทัพไทยตามลำดับเวลานั้นนั้นรวมรีพลในกองทัพไทยคราวนั้นถึงแสนสองหมื่นสี่พันคน แต่ที่ชะกันกองทัพเจ้าพระยาบดินเดชาและกองทัพเจ้าพระยาพระทังและกองทัพพระมหาเทพทั้งสามกองนั้นได้กราบผวายบังคมลายกออกจากกรุงเทพพระมหานครพร้อมกันทั้งสามทัพในวันเดียวกันนั้นแต่ณนะวันเสาร์เดือนอ้ายขึ้นสิบสองค่าเวลาเช้าสามโมงเก้าบาทจุลรัศกราชหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้า ปีมะเสง็งเบญจศกเป็นปีที่สิบในรัชการแผ่นดินที่สามกรุงเทพกรุงเทพก็ขาดทางพระราชามตรีกันกับหยวนแต่ครั้งนั้นมาเมื่อกองทัพไทยทั้งสามยกออกจากกรุงเทพแล้วได้วันหนึ่งรุ่งขึ้นณวันอาทิตย์เดือนอ้ายขึ้นสิบสามค่ำบังเกิดแผ่นดินไหวสะเทือนมากอยู่ถึงสองชั่วโมงจึงเป็นปกติดังเก่าครั้งนั้น กองทัพเจ้าพระยาบรินเดชาพอเข้าครองสำโรงออกแม่น้ำสะเชิงเชา่าก็พอแผ่นดินไหวกองทัพทราบทั่วกันเมื่อกองทัพทั้งสามยกไปแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าหัวเมืองพันธทั้งห้าซึ่งเป็นเมืองลาวขึ้นแก่ยวนนั้นมีผู้คนมากมายอยู่แต่หัวเมืองทั้งห้านั้นอยู่ใกล้กันกับเมืองหลวงพระบาง ยังไม่มีกองทัพไทยขึ้นไปตีให้มาขึ้นอยู่ในอำนาจไทยหรือไทยจะรักษายากจะได้กว่าต้อนเอาครอบครัวเข้าเมืองมาไว้ในบ้านเมืองเราเสียดีกว่าจึงมีพระราชองการดำรัสสั่งทายาสีหาเทพชื่อทองเพ่งกรมมหาไทยให้มีท้องตราพระราชสีขึ้นไปบังคับเกณฑ์ไพรพลหัวเมืองลาวฝ่ายเหนือคือเมืองน่านเมืองแพร่เมืองลมศักด ให้ได้ไพ่พล 4,000 คนแล้วให้เกณฑ์หัวเมืองไทยฝ่ายเหนือด้วยจะได้เป็นนายทัพกำกับกองทัพลาวไปด้วยอีกให้ได้คนพันหนึ่งโปรดให้เจ้าพระยาธรรมมาชื่อสมบุญถืออาญาสิทธิเป็นแม่ทัพคุมรีพลลาวและไทยหัวเมืองรวม 5,000 คนให้ยกขึ้นไปพร้อมกับเจ้านครหลวงพระบางจะได้ยกไปตีเมืองหัวพันทั้งห้าให้แตกกว่าต้อนครอบครัวมา หรือจะยอมขึ้นก็ตามใจเจ้าบ้านผ่านเมืองเหล่านั้นเจ้าพระยาธรรมมาทิกอรเสนาบดีกรมวังกราบถวายบังคมลายกออกจากกรุงเทพณนะวันศุกร์เดือนอ้ายแรมสามค่ำปีมะเส็งถึงเมืองหลวงพระบางณนะวันเดือนสามแรมเก้าค่ำปีมะเส็งเบญจศกจุดรัศกราช1 1หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าพักรอคอยกองทัพหัวเมืองที่เกณฑ์นั้น ยังมาไม่ถึงพร้อมกันฝ่ายกองทัพเรือเจ้าพระยาพระคลังยกไปตีเมืองบันทายมากได้สู้รบกับยวนวันหนึ่งพวกยวนพลเมืองบันทายมากหิงเมืองเสียลงเรือหนีไปเมืองโจดกกองทัพเรือไทยบ้างเข้าไปรักษาเมืองบันทายมากบ้างก็ยกติดตามยวนลงไปทางคลองขุดใหม่ถึงเมืองโจดกยกเข้าตีเมืองโจดกแม่ทัพเรือไทยนาเรือใหญ่ขนานเข้าไปเป็นตับ นำปืนใหญ่ตั้งหน้าเรือเป็นตับสี่แถวแล้วยิงไปบนเมืองเมืองก็ยิงปืนใหญ่ออกมาแต่ยิงโต้อตอบกันอยู่ทั้งสองฝ่ายได้สองวันกับคืนหนึ่งขณะนั้นกองทาศสุรินทารามาศกับกองหลวงชาติสุรินและพระยาสุนทรนรักสามกองยกพลทหารทะลวงฟันอาธมาสพลแปดร้อยยกขึ้นจากเรือโดยห้ามปากเสียงเดินบกยกอ้อมไปทางหลังเมืองโจดก ซึ่งมีบึงใหญ่กันเป็นคูหลังเมืองอยู่ผลไทยยกลงบึงบ้างว่ายน้ำบ้างดำน้ำในบึงจนถึงเชิงกาแพงเมืองโจดกบ้างก็ลงลุยเลนในบึงที่ตื้นบุกรุกเข้าไปยังกาแพงหลังเมืองพร้อมกันพอถึงกาแพงเมืองก็โห่ร้องนำบันไดขอเกี่ยวพาดกาแพงเมืองปีนขึ้นไปได้ ไล่ฆ่าฟันคนยวนที่รักษาหน้าที่กำแพงเชิงเทินนั้นล้มตายลงเปน็นอันมากขณะนั้นกองทัพพระยาสุรเสนายกไปทีหลังได้ยกเข้าช่วยระดมตีเจ้าหน้าที่เชิงเทินแตกหนีถอยลงหมดพระยาสุรศรนาต้อนพลนฐานไทยให้ยกบันไดาพาดกำแพงเมืองและถือขวานฟันบานประตูเมืองบ้างบ้างถือไม้ค้อน กระทุงบานประตูเมืองแตกหักทลายเปิดประตูเข้าเมืองได้พร้อมกันกับกองหลังเมืองในเวลาสองโมงเช้าขณะนั้นพวกพลเมืองโจโดกเป็นยวนมากเป็นจีนน้อยที่เป็นจีนก็วางเครื่องสัพพวุฒเสียหมดเข้าหาอ่อนน้อมยอมแพ้แก่ไทยทันงสิ้นฝ่ายพวกยวนเห็นดังนั้นก็พากันอพยพครอบครัวลงเรือแจวหนีไปในทิศทางต่างๆกองทัพเรือไทยตามไปยิงแทงฟันตายเสียหลายร้อยคน ที่จับเป็นได้ก็มีบ้างหลายสิบคนของทัพไทยเข้าเมืองโจโดกได้ไล่พิฆาตฆ่าพวกพลเมืองยวนเก็บพัสดุเงินทองเครื่องอัญมณีได้มากและแม่ทัพหน้านั้นคือพระยาราชวังสันยกเข้าเมืองโจโดกรักษาเครื่องศาสตราวุธและกระสุนดินดาไว้ได้ทั้งสิน้นเจ้าพระยาพระคลังสั่งให้เจ้าพระยาราชวังสค์กับพระยาสุรเสนาพระยาสุนทรานุรักษ์ ทั้งสามอยู่รักษาเมืองจัดการถ่ายลําเลียงสเสบียงอาหารนอกเมืองมาไว้ในเมืองเต็มทุกหยุงฉางและจัดทหารรักษากําแพงเมืองช่องเชิงเทินทุกหน้าที่ไม่ได้ประมาทของทัพใหญ่เจ้าพระยาพระครังก็พักอยู่ที่ค่ายใหญ่ของยวนหน้าเมืองโจดกแล้วแต่งให้หลวงสภาวะกับหลวงวุฒะอาคณีสองนายขุมเรือรบอย่างเล็กมีพลทหารเจวหกสิบคนให้ไปสืบราชการศึกยวน ว่ายวนล่าหนีไปตั้งทัพตั้งค่ายรับอยู่ที่ใดบ้างถ้าไม่เห็นยวนตั้งค่ายรับอยู่ที่ใดก็ให้ไปสืบทับเจ้าพระยาพระบดินเดชาว่าจะยกมาถึงที่ใดแล้วแล้วให้พระยาพิทักษ์ชวยหานผู้วาราชการเมืองปฐุมธานีขุมกองรามันสามร้อยยกขึ้นบกไปลาดตระเวน ร, รักษาทางด่านเหนือที่ยวนจะยกมาตีเมืองโจดกคืนนั้นให้มั่นคง ให้พระยาดำรงราชพลขันผู้ว่าราชการเมืองนครเกื่อนขันขุมกองรามันสามร้อยยกไปรักษาทางคลองขุดใหม่ที่จะแยกมาจากเมืองด่านยวนให้นำเรือป้อมใหญ่ลงไปด้วยครั้งนั้นกองรามันร้องว่ายิงปืนใหญ่ไม่เป็นเจ้าพระยาพระทังจึงสั่งให้แบ่งทหารปืนใหญ่ฝรั่งเศสและกองหลวงศักดาวุธิสิบห้าคน ลงเรือป้อมกองรามันไปจุกช่องรักษาทางรำคองให้ขุนสถานธรณีปลัดกรมทหารฝรั่งเศสคุมเรือป้อมไปในกองรามันด้วยรวมขุนหมื่นทหารแม่นปืนใหญ่ฝรั่งเศสไปด้วยสามสิบคนฝ่ายเจ้าพระยาบดินเดชาแม่ทัพ บ, บกจึงยกไปถึงเมืองพระตะบองพระยาอนุภาพไตรพพเจ้าเมืองนครเสียมราฐมาคอยกองทัพไทยอยู่ที่เมืองพระตะบอง จึงกราบเรียนเจ้าพระยาบรินเดชาว่านับองจันทร์เจ้ากรุงกัมพูชาทราบว่ากองทัพไทยจะยกมาตีบ้านเมืองขมรจึงให้สมเด็จเจ้าพระยาและเจ้าพระยาราชไมตรีขุมกองทัพขมิกองละสามพันคนยกมาตั้งฟังข่าวราชการอยู่ที่ตำบลบอกกระเนียงทัพหนึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดำไรพระเนียงทัพหนึ่งครั้น กองทัพเจ้าพระยานครราชสีมายกมาถึงระเลสาบมีกำลังช้างมา้าหรีพลมากกว่าหมื่นเศษฝ่ายกองทัพสมเด็จเจ้าพระยาและพระยาราชเมตรีขมิญทั้งสองกองทัพนั้นมีพลแต่เพียงหกพันคนจึงเห็นว่าทัพโคราชมาม า, มากขมิญจะตั้งรับไม่หยุดขมิญทั้งสองทัพก็ล่าเลิกหนีไปได้แปดวันก็พอทัพใหญ่กรุงเทพ ยกมาถึงเมืองพระตะบองในวันนี้เมื่อเจ้าพระยาบดินเดชาได้ทราบข่าวดังนั้นแล้วก็มีความเสียใจพูดว่าเจ้านักองจันเห็นจะไม่สู้รบตกมือแก่เราเป็นแน่จึงเรียกทัพใหญ่ฝ่ายขมิกลับเสียทั้งสองทัพชรอยนักองจันจะคิดหนีเราไปหานเป็นมั่นคงถ้าเป็นดังเราคิดเราทายแล้วก็เสียที ที่ไม่ได้รบกับเจ้านักองค์จันท์เลยถึงมาดว่าจะได้เมือเขมรก็คงจะได้แต่เปรียกเมืองเปล่าเหมือนตีเมืองเวียงจันได้เหมือนกันหามีประโยชน์และเกียรติยศไม่ว่าแล้วจึงสั่งให้พระยาเกียรติพระยารามขุมกองรามันพันหนึ่งให้เจ้าพระยาอนุภาพไตรภพเขมรเจ้าเมืองนครเสียมราฐขุมพลเขมรนพันหนึ่งสั่งกองทัพทั้งสองกอง มีพลทหารรวมสองพันเป็นกองหน้าให้พระพรหมบริพัก์เจ้ากรมพระตำรวจชื่อแก้วซึ่งเป็นบุตรใหญ่ในเจ้าพระยาบดินทรนั้นเป็นข้าหลวงกำกับทัพรามันและทัพเขมรมีพลทหารไทยทั้งคุนหมืน่นนายไพร่1 0ร้อยคนสำหรับตัวพระพรหมบริลักษ์ขุมพลทหารรวมสองพันร้อยหนึ่งเรียบเร่งยกลงไปหมายจะได้ต่อรบกับนักองจันนักองจันก็หนีไปเมืองยนเสียก่อน 1ิบเอ็ดสิบสองวันแล้วพระพรมบริรักษ์จึงใช้ให้สมิงรามเทวะขึ้นม้าเร็วสามสิบมาถือหนังสือมาแจ้งข้อราชการกับเจ้าพระยาบรินเดชาว่านักองค์จันเหมินหนีเสียแล้วได้สิบสองวันเมื่อเจ้าพระยาบรินเดชาพักจัดปรีพอยู่ที่เมืองพระตบองขอยกองทัพหัวเมืองมาพร้อมกันแล้วจึงได้ทราบหนังสือบอกพระพรมบริลักษ์ว่า นักองคจันรขมรไม่ตั้งอยู่สู้รบและอบพยพครอบครัวลงเรือใหญ่น้อยได้แล้วจึงหนีลงไปอาศัยอยู่ในเขตแดนเมืองยวนพระพรมพบริรักษ์ได้แต่เมืองเปล่าเมื่อเจ้าพระยาบรินเดชาได้ทราบดังนั้นแล้วจึงได้ยกกองทัพไปถึงเมืองพนมเปนพักพนอยู่ที่นั่นสองวันแบ่งพลทหารไทยให้อยู่เป็นเพื่อนนักองอิมและนักองล่วงที่เมืองพนมเปญ จะได้ตั้งเกลียกก่อมพระยาพระขมรที่เหลืออยู่ตามหัวเมืองเขมรและป่าดงให้เข้ามาอาสาจะได้เป็นกำลังต่อไปภายหน้าครั้งนั้นให้เจ้าพระยาพระสุรโยธาพระยามหาอมาตหลวงราชเสนาเป็นข้าหลวงคุมพลทหารไทยลา่าอยู่รักษาเมืองพนมเปนด้วยจะได้เป็นผู้ช่วยทานุบำรุงชี้แจงราชการให้นักองอิมและนักองล่วงจัดการบ้านเมือง ให้เป็นที่พักสเสบียงอาหารและเป็นที่พักมั่นของทัพไทยด้วยแล้วเจ้าพระยาบดินเดชาจัดกองทัพ ท, ที่จะยกไปเมืองไส่งอนนั้นเป็นหลายทัพหลายกองให้เจ้าพระยานครราชสีมาทองอินเป็นแม่ทัพใหญ่พระยาราชสกูกเสือเป็นข้าหลวงกากับทัพให้พระยาศิหราชเดชูแย้มเป็นปีขวา ให้พระยามนเทียนบานเป็นปีกซ้ายให้พระยานครสวรรค์เป็นทับหน้าและพระยาพระหลวงนายทับนายกองทั้งนี้ไปกับเจ้าพระยานครราชสีมายกไปทางบกข้ามแม่น้ำโขงไปยังเมืองไส่งอนแล้วแต่งกองทับหัวเมืองทับกรุงสยามยกไปเป็นกองต่างๆ ต, ตามเจ้าพระยานครราชสีมาไปตีกองทับยวนนั้นเป็นอันมากฝ่ายเจ้าพระยาบรินเดชานั้น เดินกองทัพเป็นลำดับลงไปต่อภายหลังถึงเมืองบาพนมริมฝั่งแม่น้ำโขงเป็นท่าข้ามฝากจะไปเมืองไส้ง่อนสั่งให้กองทัพหน้าหาเรือเก่าของขมินมาได้หลายสิบลำสำหรับจะได้ข้ามฟากฝั่งแม่น้ำโขงไปขณะนั้นกองพระยาพิทักษ์ภูบาลซึ่งเป็นกองราชเวีนตรวจทางไปก่อนหน้าเจ้าพระยาบดินเดชานั้นได้ความกลับมาเรียนว่า ได้ราตะเวนตัวทางไปถึงท่าข้ามแก่งหลวงก็พบเรือราตะเวนกองทัพเจ้าพระยาพระทังสองพวกหลวงตับพาวุฒกับหลวงวุท ธ, ธอคัคนีเป็นนายทัพเรือตะเวนแจ้งความว่าเจ้าพระยาพระทังตีเมืองบันทายมากแตกได้เมืองแล้วบัก น, นี้ยกมาตีเมืองโจโดกก็ได้เมืองด้วยยกเข้าตั้งอยู่ในเมืองโจโดกแล้วจิ่งให้มาสืบทับว่า จะยกข้ามแม่น้ำโขงเมื่อใดกองทัพเรือจะได้ยกขึ้นไปพร้อมกันเมื่อนั้นแล้วหลวงวุฒธอัคณีจึงแจ้งความว่ากองทัพยวนยกมาทั้งทางบกและทางเรือเป็นอันมากแต่ยังตั้งเรือรายอยู่ตามทางไกลยังไม่มาถึงกองทัพไทยเลยกลับได้บอกข่าวว่ายวนข่ายเกียนชายจับได้พระรามพินาศกับหลวงชาติลึกรอนราน แม่กองเรือตะเวนของทัพเรือไปได้ทั้งสองคนหลายวันแล้วแต่หลวงชาติลิตรอนรานหนีกลับมาได้เล่าความว่าไอายวนเอาเรือเล็กสิบหกเจลเจวไล่ล้อมจับพวกเรือรักตะเวนไทยไปได้สองลำแล้วยวนเห็นว่าหลวงชาติลิตรอนรานเป็นแขกจามไม่ใช่ไทยยวนไม่ยึดไว้สั่งให้ปล่อยเสียแต่แขกกคนกลับมาได้แต่พระรามพินาศกับไพรไทย ไอ้ยวนคุมตัวไว้สิ้นเพราะเหตุนี้หลวงชาติตรตรอนลานกลับมาจึงได้เห็นว่ายวนยกมาตั้งค่ายรับอยู่ตามรายทางบกและทางเรือเป็นอันมากอา๋นามสยามยุทธภาคที่สองตอนที่สองของทักษกรเทเพเคลื่อนทักษตีขมิกํกำลังเข้มข้นไปทุกขณะ โปรดติดตาม ต, ต่อไป